พิจารณาเสมอเสมออย่าเพลอใจการปฏิบัติอีกแบบหนึ่งนั้นเป็นอะไรก็ให้พิจารณาทําอะไรก็ให้พิจารณาทุกอย่างอย่าทิ้งเรื่องภาวนาบางคนพอออกจากการทำความเพียรแล้วคิดว่าตัวหยุดแล้วพักแล้วจึงหยุดกำหนดหยุดพิจารณาเสียเราอย่าเอาอย่างนั้น เห็นอะไรให้พิจารณาเห็นคนดีคนชั่วคนใหญ่คนโตคนร่ำคนรวยคนยากคนจนเห็นคนเท่าคนแก่เห็นเด็กเห็นเล็กเห็นคนน้อยคนหนุ่มให้พิจารณาไปทุกอย่างนี่เรื่องภาวนาของเราการพิจารณาเข้าหาธรรมะนั้นให้เราพิจารณาดูอาการเหตุผลต่างๆนาน า, นามันน้อยใหญ่ดำขาวดีชั่ว อารมณ์ทุกอย่างนั่นแหละถ้าคิดเรียกว่ามันคิดและพิจารณาว่ามันก็เท่านั้นแหละสิ่งเหล่านี้ตกอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปยึดถือมันเลยเนี่ยแหละป่าช้าของมันทิ้งมันใส่ลงตรงนี้จึงเป็นความจริงเรื่องการเห็นอนิจจังเป็นต้นนี้คือเรื่องไม่ให้เราทุกข์เป็นเรื่องพิจารนา เช่นเราได้ของดีมาก็ดีใจให้พิจารณาความดีเอาไว้บางทีใช้ไป น, นา น, านๆเกิดไม่ชอบมันก็มีอยากเอาให้คนหรืออยากให้คนมาซื้อเอาไปถ้าไม่มีใครมาซื้อก็อยากจะทิ้งไปเพราะเหตุไรจึงเป็นอย่างนี้มันเป็นอนิจจงมันจึงเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้ขายไม่ได้ทิ้งก็เกิดทุกข์ขึ้นมา เรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้เองพอรู้จักเรื่องเดียวเท่านั้นจะมีอีกกี่เรื่องก็ช่างเป็นอย่างนี้หมดเรียกว่าเห็นอันเดียวก็เห็นหมดบางทีรูปนี้หรือเสียงนี้ไม่ชอบไม่น่าฟังไม่พอใจก็ให้พิจารณาจำไว้ต่อไปเราอาจจะชอบอาจจะพอใจในของที่ไม่ชอบเมื่อก่อนนี้ก็มีมันเป็นได้ เมื่อนึกรู้ชัดว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทิ้งลงใส่นี่หละก็เลยไม่เกิดความยึดมั่นในสิ่งที่ได้ดีมีเป็นต่างเห็นเป็นอย่างเดียวกันให้เป็นธรรมะเกิดขึ้นเท่านั้นเรื่องที่พูดมานี้พูดให้ฟังเฉยเมื่อมาหาก็พูดให้ฟังเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องพูดมากอะไร ลงมือทำเลยฉันเรียกกันถามกันชวนกันไปว่าไปไหมไปไปก็ไปเลยพอดีพอดี